วันที่19ไปหลวงปู่จามวันห้วยทายมรณภาพอายุหนึ่งรปีอายุหลวงปู่จามหนึ่งรปีวันที่19พฤษภาเนเต็มหนึ่งปีเป็นผู้มีอายุยืนหลวงปู่จามอายุยืนมากเป็นหลวงอาของอาจารย์อิน เป็นน้องชายพ่อของอาจารย์อิน <c oughs> มีน้ำอาบน้ำหลวงอาบศพก็มีขอพระราชทานไปไปถึงมาสีทุม่มเมื่อวันที่ส9บเกนะสี่ทุ่ ม, มวันที่ส9บเกเมื่อวานรงขึ้นเมื่อวานยี่สิบเมื่อวานเมื่อวานยี่สิบบ่ายสองครึ่ง ปู่ว่าไปไปทำพิธีสงสงน้ำอาบน้ำหลวงน้ำหลวงอาบศพ ส, สงศพครูบาอาจารย์ก็ไปร่วมเยอะเมื่อวานก็สงน้ำไปรอบหนึ่งแล้วแต่เราไปไม่ทันเอาเข้าโรงเย็นก่อนเอาเข้าโรงเย็นก่อนเมื่อวานเมื่อวันสวันที่สิบเก้าวันที่ยี่เมื่อวานบ่ายสองบ่ายสองครงึเริ่มพิธี ก็เปิดโอกาสให้รูปบรรจารย์ได้ส่งน้ําองค์ที่ยังไม่ได้สรงน้ําได้ส่งน้ําส่งน้ําเสร็จแล้วก็กลับมาวานมาถึงนี้สองทุ่มจากบ้านพลไปโน้นก็ชั่วโมงกว่าอําเภอคำาชียีบ้านห้วยสายอําเภอคำาชียีจากเราหนี้ไปบ้านโพลก็สองชั่วโมงกว่ารวมไปแล้วเกือบสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมั้ง อีช่วโมงเกินอีกนะไม่ไม่ใช่ใกล้ๆนะให้จัจสงบหารถขนฟางไปเมื่อวานก็ได้ขนไปแล้วขนฟางไปวางวางวางวางว ง, วงนได้พักเดี๋ยวนี้คนเขามีกระจมมีเต็นท์ไปกลางนอนมีฟางในก็สะดวกสบาย ไม่ต้องมีศาสตร์ก็นอนได้ไม่ต้องมีอะไรปูก็นั่งได้นอนได้ฟังก็งไม่มีตัวไรนะฟังนะถ้ามีตัวไรก็ยุ่งอีกนะตลอใหญ่ตลอดผู้จ่ามใหญ่คนไม่แน่นเมื่อวานคนก็ไม่ขึ้นก็ให้ขึ้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไม่ขึ้นรอบข้างก็เป็นบริเวณทั้งนั้นเลยนั่งก็เห็นดูเห็นหมด บริเวณใช้สอยบริเวณสลาบริเวณเจดีเป็นพื้นปูนบริเวณเจดีเป็นพื้นกระเบื้องปูกระเบื้องมาบริเวณสลาไปถึงในครัวโรงครัวก็อยู่ใกล้ใกเป็นปูนเป็นพื้นปูนเป็นพื้นที่นั่งได้หมดได้นั่งฟังเทศที่สลาฟังนั่งฟังได้หมดจุคนได้เป็นแสนเฉพาะตรงนั้น ยังไม่ทราบว่าจะไว้นานเท่าไหร่จำเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุอายุมากเท่าที่เราเคยเห็นมาร้อยับสี่ปีหลวงปูวัดโพเราหนึ่ง1เต็มเมื่อตุลาเนี่ยเข้าหนึ่งสองเลยเข้าหนึ่งสองลงตาเราก็แค่98 98, อ8ยหลวงพ่อดมยานโมโลีร0 2สองอายุยืนอายุยืนด้วยมีสมณศักดิ์สูงสุดในเขตอีสานเนี่ยมีสมณศักดิ์สูงสุดกรีดกชชั้นรองรองสมเด็จพระดมยานโมโลีรองจากเพิ้นลงมาก็มีแต่ชั้นธรรม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 พอจนถึงส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงยศสำนักศักดิ์สำนักก็คือศักดิ์ของสมณะที่จะทําเฉยเฉยเหมือนช้างได้ก็มีแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีศินมีธรรมโดยเฉพาะอย่างลุงตาเงี้ยลุงตาเขาวิ่งตามถวายท่านถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนเขาวิ่งตามถวายท่าน นับต้องเตเป็นพระครูน่ย น, นะก็วิ่งตามถวายท่านเหมือนกับวิ่งตามถวายอท่านไม่ได้บอกได้ขออะไรถวายมาพระครูท่านก็ไม่เอาพัดมานะั้นทิ้งไว้วันอราวนนัดนะต่อมาเมื่อปีไหนนียเมื่อปีไหนอีกถวายเป็นพระราษเป็นชจ้คุณเลยขึ้นมาเป็นชั้นราษเลยอืมชั้นธรรมดา ไม่ไดต้ตั้งเป็นชั้นราชเลยพระราชยานพิสุทธิโสพลพระเทพก็ไม่ได้ตั้งขึ้นไปเป็นพระธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลพระธรรมวิสุทธิมงคลนี่ตั้งตั้งให้เหมาะสมตั้งเพื่อเข้าไปในวังได้สะดวกกัาวางวลกันนะ ตังเพื่อเข้าไปในวังได้สะดวกมีสมณศักดิ์มีพัดเรียกพัดยศแต่หลวงปู่จามท่านไม่ได้เป็นไรมั้งหลวงปู่จามไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นไรมั้งเราก็ไม่ได้ถามน ะ, ะได้ยินแต่อาจอินพูดบ่อยครั้งว่าท่านไม่ได้เป็นพระมีสมณศักดิ์อะไรถ้าจะถวายก็ถวายเพลิงไม่ได้มีพระราชทานเพลิงยกเว้นแต่ว่า ทางในวังยื่นมือมาอาันนะยื่นมือมาอย่างน้ำหลวงอาบศพนี่ก็ประทานมานี่มีประทานมาต่อไปพระราชทานเพลิงท่านกระทงจะต้องพระพระชาชทานแล้วก็พระราชทานพวงมาลานี่พวงมาลาพวงรีนั่นแหละพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาก็น่าจะมีน่าจะต้องมีพระเทระ ที่มีบรรษามากอายุมากขนาดนี้เนี่เราคิดว่าอาจจะครอบอะไรเนี่ยพวงมาลาเหมือนต้องตาเนี่ยอ่ารมวงศานวงศ์พระเจ้าลูกเธอพี่เจ้าหลานเธออะไรนีจะประดัดจะทานมามุดเลยพวงมาลาก็แต่แขนงไป แ, แยกเยอะไปแต่แขนงไป <c oughs> พวกเราก็ไปร่วมบุญเมื่อวานก็ได้กันไปร่วมบุญนิดหน่อย อาจารอินบอกเออเดียวต้องการเมื่อไร่จะเรียกกันจะบอกกันทําเตาทำทำเตาที่เผาแต่ประชาชนน่าจะพอสมควรประชาชนว่าวันนั้นจริงๆประชาชนน่าจะมากดูแต่เมื่อวานประชาชนก็เต็มประชาชนหลายหมื่นนะเมื่อวานราเนนก็ไปบินทบาตฉันเช้านี่ก็เป็นร้อย วั น, เ, นเด็กลไกลไปลําบากเดี๋ยวนี้การเดินรถการนั่งรถไปเนี่ยลำบากอันตรายรถมันเยอะรถตามถนนนี่เยอะจริงๆยังกลางคืนด้วยแล้วเนี่ยไฟแดงเนี่ยมันลานตาไปหมดเลยคื น, เ, นเหมือนกรุงเทพเลยไม่รู้ไฟใกล้หรือไฟไกลอู้ลานหูลานตาไปหมดหเรามองไม่เห็นชัดเราก็ไม่ค่อยสะดวกใจ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 เราเมืคิดถึงปัญหาเหล่านี้คิดถึงเหล่านี้แล้วก็ถือตามนั้นก็นไม่ต้องไปไหนกันแหละกลัวมีเรื่องมีราวกลัวกระทบกลัวอะไรตัวอะไรนี่ไม่ต้องไปไหนกันแหละมันเคยเป็นนะ <c ười> มันอดคิดไม่ได้มันเคยเป็นเออไม่ดีเว่ยเคยเป็นอดคิดไม่ได้อื ขี้เกียมีเรื่องเหนื่อยมีเรื่องป๊อก็มีเรื่องโอ้ยุ่งอยูแล้วยุ่งอยูแล้วเหมือนปีใหม่คราวที่แล้วเนี่ยยุ่งอยูแล้วที่พวกเรานี่ก็ไม่ได้ประชุมกันหลายวันนั่นเนี่ยที่ประชุมกันวันนี้ไม่ได้คุยกันหลายวันเนเป็นสิบกว่าวันแล้วมัง้งหลายวันแล้วตั้งแต่ก่อนเข้ากรุงเทพโยไม่มีธุระประปังอะไรก็ประกันเผานานะ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 ถามแล้วก็ไม่เอาไปทำวายการย์ท่านสอนพุทธโธคําเดียวนั่นไม่ไปทําเอาถามโน้นถามนี้น ถ, านถามทําไมไปทําให้มึนเกิดสิขี้เกียจขี้ขานขี้เกียจทำํำจากได้อยู่เด็ก ข, ข, ขี้เกียจทําเพศเราภาวะเราเป็นเพศเป็นเพศของผู้ตั้งใจเห็นโทษเห็นภยัย พิฆูพิฆูภิกษุภิกษุผู้เห็นภัยผู้เห็นภัยเห็นภัยเจ็บเห็นภัยแก่เห็นภัยเจ็บเห็นภัยตายนี่แหละเห็นภัยที่จะต้องแบกกองทุกข์ในวัดตรสงูสารนี่เป็นภัยที่ยืดยาวที่สุดแบกทุกแบกโทษในวัดตรสงสารเนี่เราจะคลี่คลายเราจะบรรเทาเราจะผนพันได้ยังไง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 ที่เป็นประโยชน์กับหัวใจเอาสติรักษาเอาวิริยะความภาคความเพียรประคับประครองรักษาเอาความอดความทนกำหนดจดจอรอักษามีสติมีสัมปยัญ ญ, ญะเป็นคู่เป็นคู่มือเป็นเป็นคู่ปรับเป็นทหารเอกคอยกํำกลับดูเลยมีฮิริมีโอตตปะ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 โอต ป, ปะอ่าฮิริความละอายโอต ป, ปะความเกรงกลัวไม่กล้าล่วงละเมิดไม่กล้าทําเหมือนกับผลที่จะพึงตามสนองรามันสดสดร้อนรที่จะหล่ลหนทับหัวอยู่นั่นน่ะกลัวบาปกลัวกุศลละกัมกลัวบาปกรรมที่จะหล่นมาทับหัวเนั้นกูจะเป็นภาระต้องแบบแบกบบาปหากรรม อันนี้เป็นกรอบเป็นภาคพื้นเป็นกรอบเป็นเกราะห้อมล้อมดวงจิตดวงนั้นเอาไว้เป็นดวงจิตที่แน่นอนเลยไม่กลวงละเมิดแม้แต่จะนึกแม้แต่จะคิดคิดออกนอกลูก่นอกทางนอกนอกสินนอกธรรมนอกระบบนอกระเบียบคิดเรื่องการเรื่องงานคิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องคนนี้คิดเรื่องหนี้บุญหนี้คุณมัน ค, คิดได้หมด มีระบบมีระเบียบ ม, มีกรอบมีขอบมันเป็นการกรองเพราะมันกลัวบาปก ล, กลัวกรรมแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมันไม่ได้คิดละมันไม่คิดมันไม่ตรองมันไม่กรองอะไรละทั้งดุน ท, ท, ทั้งดุนทั้งทั้งดุนทั้งดิบไม่มีผ่านการตรวจเช็คสอบกลั่นกรองอะไรหละคิดคิดคาดคาดคา ด, ดาวดแล้วก็ัเชื่อเลย คิดคด ค, ดคาดคา ด, ดา ว, ดาวแล้วก็เชื่อเลยทําด้วยตัวเองกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจแต่ก็ไม่รับไม่ยอมรับดอกคิดคิดคาดคาดดาวดาวสคัญมั่นหมายเชื่อเ อ, เองคิดคาดคาดดาวดาวสำคัญมั่นหมายแล้วก็เชื่อเอเอง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 ควนึกความคิดออกนอกออกนอกลูนอกถางเมื่อไรมันจะเข็ดจะหลับเจอความทุกข์แล้วแล้วเล่าเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าผิดแล้วผิดเล่าทุกแล้วทุกเล่าตั้งใจจะแก้คราวไรทีไรเมื่อไหรก็ทับถมคราวนั้นทีนั้นเมื่อนั้นแทนที่จะแก้เป็นการผ่อนการคลายมัดแน่นเข้าไปอีกมัดแน่นเข้าไปอีกทับเข้าไปอีกถมเข้าไป เท่าก็ไปถมก็ไป อ, อจะแก้ความทุกข์ให้เบาบางไปสักหน่อยทุกทับถมท่วมหัวจิตหัวใจก็ไปดูความทุกข์ในหัวใจเวลามันเกิดมันน่าเข็ดน่าหลาบทําไมไม่เข็ดไม่หลาบเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยที่จะพอสาวไปเพื่อเป็นข้อยุติในการรู้ในการเห็นในการได้ยินได้ฝังมันมีอยู่มันเป็นหลัก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 วิญญาณไปปราศจจากแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็ต้องเปลี่ยนไปสีก็เปลี่ยนไปไออุ่นก็เปลี่ยนไปหมดไปสีก็เปลี่ยนไปจากธรรมดาธรรมดาเป็นซีดเป็นซีดเป็นขึ้นเขียวเป็นขึ้นอืดเนี่ยไหมมันเป็นการทํางานของสังขารฉะนั้นแล้วแล้วก็บวม ตึงแตกน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลแตกเน่านอนตัวเล็กตัวใหญ่เจาะยั่วเยี่ยน้ำก็เหือดแห้งไปถาดน้ำถาดดินเป็นเย็นเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังก็กระจัดกระจายไปหลุดไปร่วงไปเน่าไป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 นังข่าเรานั่นก็ยิ่งเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปกระดูกขาขาวแข็งแข็งแข็งจนคิดว่าจะไม่เป็นอะไรเอาไปเผาแล้วก็ยังไม่หมดยังแข็งแข็งอยู่นั้นนานไปนานไปกระดูกกระดูกมันก็ผุกระดูกมันก็ผุเป็นะเป็นแป้งเหมือนช็อกนังนาข้าก็เละนังนเข้าก็แตกกระจายจากก้อนที่ว่าก้อนแข็งแข็งเล็ก ก้อนเล็กก้อนใหญ่กระจายกระจายละลายหายเป็นดินเป็นแป้งเ ป, เป็นดินเป็นดินขาวๆปนกับอย่างอื่นก็ดำดำแดงแดงมีการทํางานของร่งกายเป็นดินก็ไม่หยุดยัง่งอยู่แค่นั้นปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเร ย, เ ร, ยเราดูไปให้สุดดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราดูให้สิทธูให้สุด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 มนุสยธรรมมีมากหน่อยก็มาเข้าทองมนุษย์เป็นชั้นผู้ดีมีศักดิ์มีศินหน่อยก็มาเกิดกับผู้มีศินมีศักดิ์มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาก็สะดวกสบายเพราะมันมีพร้อมอนุก็มีอันนี้ก็ร ม, นนมีของอยู่ของกินของใช้ของสอยอยู่ในเวทวงยศถาบรรดาศักดิ์มีคนรู้จักนับหน้าถือตา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 ไม่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยไม่เพิ่มขึ้นก็นลดลงที่ท้งเรียกว่าไม่เท่าเดิมไม่เท่าเดิมเหมือนพวกเราเนะี่ยไม่มีใครเท่าเดิม อ, อยู่ในวัยที่เจริญเจริญมาเรื่อยมาเรื่อยมายไม่เท่าเดิมจากเล็กก็ใหญ่โตม า, มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยไม่เท่าเดิมพอมาถึงสุดขีดกลางกลางวัยโค้งลงเหมือนสะพานน่แหละ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 อย่างอื่นมันปรับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปไม่ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองก็บังคับไม่ได้รพระงคพระพุทธเจา้าซึ่งจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตานี้แหละอนัตต า, ตต า, ตตาภาวะอันนี้เป็นภาวะที่เราพยายามดูให้เห็นด้วยปัญญาด้วยปัญญาญาณด้วยญาณทัศนะคิดคิดคาดคาดเ ด, ดาเดามันก็ยังไม่ชัดเจนพอ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 ก็คือธาตุรู้คือผู้รู้ไม่ฉลาดพอหลงเพลินไปกับอันนั้นหลงเพลินไปกับอันนี้มีความรู้ยึดถือรูปธรรมเนี่ยแหละเป็นท่ำเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องออกมาหาหาอยู่หากินอาศัยตาเป็นช่องออกเป็นทวารหูเป็นทวารจมูกลิ้นกายใจมโนอน้อมนึกเป็นทวาร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 ไม่ให้ตัวเจ้าหลงเจ้าเผลอเจ้าเพลินเพลินยึดเพลินเกาะเพลินติเพลินชมไม่ให้ไม่ตัวเจ้านี่มันโผล่ขึ้นมาเห็นสักเทว่าเห็นแล้วก็จบเห็นสักเทว่าเห็นแล้วก็จบแต่ถ้าสติสัมปชัญญะทันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นสักเทว่าเห็นเพราะฉะนั้นอย่างพุทธเจ้าท่านแสดงทำให้กับพระพาหิยะเธอจงเห็นสักเทว่าเห็นแล้วยินสักเทว่าได้ยินพระพายยะทําตามนั้นได้จริง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 พอออกจากท้องแม่มานยึดแล้วเกินกายเรากายของของเรามาธนุถนอมมาประคับประคองมาธนุธนอมมาตกมาแต่งมายึดมาถือมาหึงมาห่วงมาธนุถนอมอยู่นั่นแหละ <c oughs> ผอมแล้วเกินไม่สบายใจแล้วอ้วนแล้วเกินโอ้ไม่สบายใจแล้วหมองแล้วเกินเออผ่ อ, องผิวพันผ่องขึ้นมากับหลงเพลินไปอีกแล้วอ้ยงามแล้วเกินงามแล้วเกิน นี่เขาเรียกว่าไม่ได้เห็นตามที่มันเป็นจริงตามเรื่องของมันเก้ออยู่แต่กับเรื่องรุ่มหลงท่านให้ศึกษาเพื่อทำลายความรุ่มหลงตัวนี้สติชำประชัญญะเหมือนอาวุธอยู่ในมืออยู่ในกรรมมือเป็นเครื่องมือสาหรับกำกับจิตของเราเพราะฉะนั้นในในหลักมหสติท่านจึงกำหนดกายเวทนาจิตธรรม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 กายเวทนาจิตจิตคือผู้รู้ผู้รู้ทั้งดุนผู้รู้ที่ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะที่มีอยู่ในนั้นนั้นเป็นผู้รู้ทั้งดุนเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้รู้ที่เคลือบแฝงมากับโมหะความลุ่มหลงท่านอาจท่านให้มาศึกษามันเป็นการกําหนดดูผู้รู้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 แล้วก็พิจารณาบทธรรมบทใดบทหนึ่งอเช่นอย่างนินวรห่านี่ยก็ถือว่าเป็นบทธรรมบทชงเจตเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทธรรมพิจารณารูปธรรมพิจารณานามธรรมพิจารณาขันธ์ทั้งห้าพิจารณาตามหลักอริยสัจสี่นี่ทั้งก็ถือว่าเป็นเป็นการพิจารณาธรรมแต่เวลาก็ทํางานไปแล้วเนี่ยเราจะพิจารณากายก็ตามมันก็ประกอบกันทั้งหมดทั้งสี่อย่างนั่นแหละ เราจะพิจาราเวทนาก็ตามมันก็ประกอบพร้อมอยู่ด้วยกันทั้งสี่นี่แหละกายเวทนา จ, าจิตเอาจิตมาพิจารณาในขณะที่พิจารณามันก็เป็นธรรมมันเข้าในหลักอริยรรสัจสมันเป็นหลักอิทธิบาทมันเป็นหลักโพชฌงค์หรือมันเป็นอยู่ในหลักอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมด กิริยาทั้งหมดมันเข้ากันทั้งหมดเวลาเราทำไปแล้วเรามาย้อนดูมาไล่ดูมาย้อน ด, มอนดูมันรวมอยู่ในอันเดียวกันหมดนอกจากเราจะไปแยกพูดเ ป, เ, เป็นเหตุให้เข้าใจเท่านั้นเองนี่คือการคือการทำงานเพื่อที่จะรู้เท่าทันความโง่ของใจของเราเองใจเราโง่เองอย่าไปโทษใครใจเราโง่เอง ใจเราไม่ฉลาดพอออกมาทางตาเพลินไปกับตาเห็นนู่นเห็นนี่เห็ น, น, น, ห น, น, หนสารพาัดเห็นไปก็หลงเพลินไปกับความเห็นของตัวเองหูก็เช่นเดียวกันอาศัยออกมาทางช่องทวารมาท่องทเที่ยวแล้วก็มาหลงเพลินไปกับสิ่งที่จ้าของไปเที่ยวนี่แหละยิ่งเพลินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงไปท่านั้นยิ่งหลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพลินไปท่านั้นเพลินไปเท่าไหร่ก็หลงไปท่านั้นความหลงต่างๆเห e ล่านั้นทําให้เรายึดมั่นถือมั่น ด้วยอุปาทานสิ่งที่พาเราเพลินก็คือพวกความอยากความอยากก็คือความหลงระเริงตัวเองนั่นแหละจิตมันอยากมันหลงมันเพลินความอยากตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตจิตที่ยังมีตัณหาอยู่จิตยังมีอย่างเหนียวอยู่เพลินไปเงน้น่เพลินไปกับความอยากตัณหาคือความดิ้นรนความทะเยอทะยานความอยากเพลิน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 ว่าแต่เราไปเกาะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอะไรมันเป็นตันหามันเป็นอุปาทานไปในขณะเดียวกันเป็นตันหาเป็นอุปาทานย้ายจากสถานะหนึ่งของจิตย้ายจากตรงนี้ไปเป็นตรงนั้นย้ายจากตนไปเป็นตรงนั้นที่ท่านเรียกว่าอุปาทานความยึดเอาของมันนั่นแหละมันเป็นการย้ายอุปาทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพที่ท่านพูดเอาไวา้ภพเป็นปัใจจัยให้เกิดชาต มีที่เกิดเราแล้วเราจะต้องไปเกิดในที่ที่นั้นนั้นเราก็มาต้องมองอีกแล้วมีรูปธรรมมีนมามธรรมเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องมาแกอีกแล้วก็ต้องมาเจ็บอีกแล้วแกก็ค่อยๆแกไปอันนั้นก็เสื่อมไปอันนี้ก็โทมไปเจ็บอีกแล้วหิวกระหายนี่เขเป็นความเจ็บความเปลี่ยนแปลงเขอามา เ, เป็นความเจ็บเจ็บใคได้ป่วยเป็นไข้เป็นวัด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 วิญญาณยังไม่ถึงไหนละไปจับจองอีกแล้วไปจับจองอีกแล้วเพราะฉนั้นวัฏสงสารของผู้ไม่ฝึกฝนอบลมให้รู้ให้เห็นช่องทางเพื่อที่จะไปฝึกฝึ ก, ฝ, กฝืนกับหลักธรรมชาติที่พาเราลุ่มหลงบ้างแล้วเนี่ยวัตสงสารเป็นการยืดยาวที่สุดไม่มีจุดจบ เหมือนมดแดงไตขอบกระดองลงตาใช่ว่ามดแดงไตขอบดงไม่มีที่จบไม่รู้เริ่มต้นตรงไห น, นไม่รู้จบตรงไห น, นวนอยู่นั่นแหละวิ่งจนขาขาดแขนขาดวิ่งจนตายก็วนอยู่อย่างนั้นแหละนี mm ่ hmm. เลยเป็นเหตุว่าพวกเราอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางปฏิปทาอยู่ท่ามกลางที่ฝึกอยู่ท่ามกลางสนามฝึก ถ้าเราหมยเอาหูไปนาะเอาตาไปไรไม่ได้สนใจใส่ใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้กิเลสภายในหัวใจของเราก็สนุกโดดโลดเต้นมันไม่ต่างอะไรกับกับสนิมมันกินเหล็กนะมันกินจนเกลืจนกรังเกลืกรังไปหมดเราไปดูเถอะสนิมที่มันกินเหล็กกินไปเหล็กก็หมดไปกรนไปสึกไปกร่อนไปหมดไปอัตภาพร่างกายของเราก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่ไปอยู่ไปแล้วสุดก็ตาย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 พอเป็นข้อคิดพวกเราเอาไปพิปจารณาตื่นให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเพื่อจะได้มันดูมามองสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของเราบ้างไม่หลับไหลลุ่มหลงให้มันเยียบไปถ่ายเดี่ยวพอจะรู้หน้ารู้ตารู้ข้อปฏิบัติรู้จักเบาอกเบาใจบ้างรู้จักผ่อนคลายกองทุกข์ในหัวใจบ้าง พอจะได้รู้จัก ว, วิธีการตัดทอนกับมันบ้างเห็นทุกเห็นโทษกับภัยกับมันบ้างพอได้เอาความสุขส่วนนี้มามาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เจริญ้ไปเรื่อยเติบโตไปเรื่อยเติบโตไปเรื่อยเติบโตโดยธรรมนี่คือความหวังด้วยกันทุกคนให้ตั้งอกตั้งใจเอาละพอสมควรเวลาข <c oughs> ออนุสาตไหมก็จะ้ะ ใช่คนนั่นกลับ สัตว <Cornell>. ์อ e, ันเดรูปังสัตวอันเดชวาสติกนัสัมปะเดธาสัตวอันเดอาจตเกีานิเทโรไมหัภารโรอาหัมิเทระสะภารโรอาจตเกีา ja นิเทโร ฮาโรอาภีเทระจัปารุ